ปันนานาคตาตบานว่าด้วยธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมปุคคล59อนุโลมปุจฉากายสังขานของบุคคลใดกําลังเกิดเัจจีสังขารของบุคลคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจรฉาเวจีทั้งขานของบุคคลใดจะเกิด กายสังขานของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจติชนาในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัณะแห่งจิตถึงเว้นจากลมอสสาสะปัสสาส ะ, สะบุคคลผู้เข้านิโรธจะสมาบัตในบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่กายทั้งขานไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทาขศนาแห่งลมอสสาสะปัสสาสะ ปจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและกายสังขารก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดกําลังเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิดมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดจะเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขั้ะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทคณาแห่งเจ็ดซึ่งเว้นจากลมอสาสะปัสสะสะบุคคลผู้เข้านิโรธสศมาบัตดและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสญรยสต ภ, ภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่กายสังขารไม่ใช่กำเกิดในอุปาทขณาแห่งลมอาศะปัสสาสะจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและกลายสังขารก็กำเนิดหกสิบอนุลมปุชชา วจีสัง ข, งรงขารของบุคคลใดกำลังเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาในอุปาทัศนาแห่งปัจจิมจิตที่มีทั้งวิตกวิจารวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จะเกิดในอุปาทัศนาแห่งวิตกวิจารของบุคคลนอกนี้วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจิตตสังขารก็จะเกิดปฏิโลมปืชชา จิตตสังขารของบุคคลใดจะเกิดวัจจีสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจชะนาในพังคะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณาแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกระวิจจานบุคคลผู้เข้านิโรธทศมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในสัรยสัตภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่วัจจีสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณาแห่งวิตตกระวิจจาน จตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและวิจีสังขารก็กําลังเกิดอนุโลมโอกาส61อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดกําลังเกิดและอนุโลมปุกคโลกาตหกสิบอนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดวิจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม พิจัชนาในอุปาทขณาแห่งลมอาศาสะปัสสะ ส, ส, สะของบุคคลผู้เข้าทุติยชาและตติยชากายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่วัจจีสังขารไม่ใช่จะเกิดในอุปาทคณาแห่งลมอาศาสะปัสสะสะของบุคคลผู้เข้าปฐมชาตและบุคคลผู้บัอยูุในการมาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิด และว่าจีสังขารก็จะเกิดปฏิโดมปุดฉาวาจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพังคขคณาแห่งลมอาศสสะสปัสสะสของบุคคลผู้ครอบปฐมฌานและบุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิในอุปาขคณาแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นจากลมอาศาสะปัสสะ บุคคลผู้บัตอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่กายสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งลมอศาศะปัดอาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัตอยู่ในกามาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและกลายสังขารก็กำลังเกิดอนุลมปุดฉา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 จิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขศนาแห่งจิตซึ่งเบ้นจากวิตกวิจและวิจารจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทัศนาแห่งวิตกะวิจารณ์จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด รจีสังขารก็กำลังเกิดปัจจนีกับบุคคล 64. อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดวะจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคาณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาฆขณาแห่งจิตซึงเ้นจากลมอัศาสาปัสส ะ, สะ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 ปฏิรมปุจฉาเพื่อจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่อนุลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในพังคัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขศนาแห่งจิตซึงเว้นจากลมอาศาสะปัสสาสะ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 วิจัดชนาใช่65อนุโลมปุจฉาวาจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตแต่สังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพังค้าขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตทึงเว้นจากโลมาสาสะปัตสาสะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในสัญญาสัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่จิตตสังขารไม่ใช่จกไม่เกิดในพังคาณะแห่งปัจจิมจิตที่มีทั้งมิตกละวิจารณ์บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจจิมจิตที่ไม่มีทั้งมิตกละวิจารณ์วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิดมปุชชาจิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิ ด, ดน ใ, นใช่ไหมวิ จ, จัชนา ในอุปาทัศนาแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกกละวิจารณ์จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่วัจจีสังขารไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขศนาแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกกละวิจารณ์บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกกละวิจารณ์จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและวัจีสังขารก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจจนีกัโอกาส 66. อนุโลมปุจฉากายสังขารในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดละปัจจนีกับปุคโรกาศหสิบอนุโลมปุจฉากายสังขาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดวั จ, จีสั้งขาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาในพังข้ณะแห่งล ม, มัสาสาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าบัตมชฌาน และบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิในอุปาทัศนาแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเป็นจากโรมาสาระปัดสาสะบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่มีมีทั้งวิตกประวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในมืเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นในพังคัศนาแห่งลมัาษาศาสตร์ภาาศาสตของบุคคลผู้เข้าทุติยชาและตติยชานในอุปาทัศนาแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นจากลมัาษาศาสตร์ภาษาสะบุคคลผู้เข้าจตุติชาและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสรญยสัตตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและบัววจีสังขารก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิลมปุจฉา วจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจฉนาในอุปาทขศนาแห่งลมัาศะศาสักวิศาสาักของบุคคลผู้เข้าทุติยชาและตติยชาว่าจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่กายสังขารไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งไม่ตกระวิจารณ์ จะเกิดลำดับแห่งจิตใดในมุลเลปจะลำดับแห่งจิตนั้นในพังขะขณะแห่งลมอสาศสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าทุติยชาญและตติยชาญในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเบนจากลมอสาศสะปัสสะสะบุคคลผู้เข้าจตุทชาญและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและกายสังขารก็ไม่ใช่กําลังเกิด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 บุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งมิตกและวิจารณ์และบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญาสัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นใ น, น, น, ใใชชนในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดว่าจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิสัชนา ในอุปาทัศนาแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ว่าจีสังขารไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังทขศนาแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์บุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์และบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญสัตตภูมิจิตตสังขาร ข, ของบุคคลเหล่านั้ น, น, นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิด และวจีสังขารก็ไม่ใช่กำเกิด 6. อปฏีตานาคตาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล 6.9 อนุโลมปุจฉากายยสังขารของบุคคลใดเคยเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิสัชนาะบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต ปัจจิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกประวิจานจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในเว็บในลำดับแห่งจิตนั้นกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ว่าจีสังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแล้ววจีสังขารก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาวจีสังขารของบุคคลใดจะเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนา ใช่อนุโลมจะกายสังขารของบุคคลใดเคยเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัตนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจิตตสังขารก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉา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 บุคคลนอกนี้วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจิตตสังขารก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาจิตตสังขารของบุคคลใดจะเกิดละวิจัชนาใช่อนุโลมโอกาส71อนุโลมปุชชากายสังขารในภูมิใดเคยเกิดละอนุโลมปุคโโลกาศเส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 บุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในกามาปจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและวัจีสังขารก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ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 บุคคลผู้พรอมเรลียงด้วยปัจจิมจิตในกามาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมฌานทุทน ต, ติยฌานตติยฌานและบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่นานั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจิตแต่สังขารก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉา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 จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและกายสังขารก็เคยเกิด 73. อนุโลมปุจฉาว่าจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจิตแตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมพเพรียงด้วยปัจจิมจิตในภูมิที่มีทั้งมิตรกรวิจารว่าจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่จิตตส kind of ังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ในภูมิที่มีทั้งวิตกกระวิจารณ์เวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจิตตสังขารก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดเวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาในภูมิที่มีทั้งวิตกกละวิจารณ์ จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่วัจีสังขารไม่เคยเกิดในภูมิที่มีทั้งมิตรกและวิจารณ์จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่วัจจีสังขารก็เคยเกิดปัจจณีกับบุคคล 74. อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดไม่เคยเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจชนา ไม่มีปฏิรมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดอนุรมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิรมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิด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 ปัจญิกะโอกาส76อนุโลมปุจฉากายสังขารในภูมิใดไม่เคยเกิดละปัจจญิกับปุขะโอกาส77อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดว จ, จีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคล ผู้บัตรอยู่ในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิกายทั้งขาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่บัจีทั้งขาไม่ใช่จักไม่เกิดในพังฆขณ า, าแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งมิตกลวิจารในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งมิตกลวิจาร ปัจจิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในมือเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าจะตุทะฌานแต่บุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญะตตภูมิกายทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและวจีทั้งขงานก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชาวาจีทั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดกายทังขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตในการมาวาจรภูมิบุคคลผู้เข้าทุติยชาตและตติยชาติวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่กายสังขารไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งมิต ก, กระวิจารในรูปาวาจรภูมิอะรูปปาวาจรภูมิ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 กายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นในปมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจตชนาบุคคลผู้เข้าจตุตฌานและบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภปมินั้นไม่เคยเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ และบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจิตจตดสังขารก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิรลมปุชชาจิตจตดสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยปฏิมจจิตในกามาวจรภูมิ จิตแต่สังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่กายสังขงารไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจจิม จ, จิตในอรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญาสัตตภูมิจิตแต่สังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่กายสังขงารก็ไม่เคยเกิด 7.8 อนุโลมปุจฉาว่จีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด จิตตสังขารของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิเัดชนาะในภูมิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยปัจฉิมจิตในภูมิที่ไม่มีทั้งวิตกรละวิจารณ์และบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญสัตตภูมิ วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิโรมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตในภูมิที่มีทั้งมิตตกและวิจารจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้พร้อมพเพรียงด้วยปัจจิมจิตในภูมิที่ไม่มีทั้งวิตกกระวิจารณ์และบุคคลผู้บัตยู่ในสัญญาสัตภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแลวบัจีสังขารก็ไม่เคยเกิดอุ ป, ปาทวานจบ